ขอน้อมน้อมต่อคุณพระรัตนตรัยโอกาสเพื่อนรทรมิตรทุกท่านจเจริญธรรมไม่ทีเลยอยากได้ทำทุกท่านเนาะนั่งามสบายๆเนาะการประรรมก็คือใจมีความสบา ย, บา ย, บายนะเราก็ <c oughs> ไม่ได้ไปบังคับอะไรเขาเนาะเหมือนที่ครูบาอาจารย์ <c oughs> ครูบาอาจารย์ได้บอกไว้ว่า ดูกายเห็นจิตดูคิดเห็น ร, รมเนาะก็คือเราเอาศัยกายเคลื่อนไหวนี่แหละนะดูกายเห็นจิตนะแล้วก็เมื่อเรารู้กายตามรู้กาย <c oughs> แต่จริงๆการตามรู้กายนะ่มันเป็นปัจจุบันธรรมเนาะเพราะว่าถ้าเรา <c oughs> <c oughs> เราไม่รู้กายก็คือมันอดีตอนาคตไปแล้วเนาะ บางที่เราเรายกมือก็จริงแต่ถ้าเราคิดเรื่องนู้เรื่องนี้เราก็ไม่รู้สึกตัวนั่นแหละมันก็เป็นอนดีตหรือนาคตกันทั้งนั้นเนาะแต่ถ้าเรายกมื อ, มอแล้วเรารู้สึกตัวนั่นก็คือปัจจุบันทำเนาะเราก็อยู่กับปัจจุบันบ่ยบอยๆนี่แหละเพราะนั้นเราก็เลยสังเกตได้ว่า <c oughs> อดีตหรือนาคตเนี่ยมันเข้ามาตอนไหนกันเนาะ <c oughs> เพราะว่าปัจจุบันนี้มันไม่ต้องใส่ความคิดมันก็แค่เป็น ความรู้เท่านั้นเองความรู้ที่รู้แบบสบายๆรู้เฉยๆรู้แบบไม่ต้องไปรู้อะไรเยอะรู้แบบไม่ไม่ไปให้ค่ากับความการรู้เหล่านั้นเนาะแม้กระนั่งเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปคิดว่าเรานั่งอย่างไรนั่งท่าไหนนั่งแล้วก้นกระทบอะไรสบายหรือไม่สบายนั้นรู้ละเอียดเกินไปเนาะแต่ว่ารู้ก็รู้แบบสบายๆนั่นแหละนั่งก็รู้ว่านั่งก็ใช้ได้แล้ว พราะนั้น <c oughs> การ <c oughs> การปิบัติธรรมก็คล้ายๆกันเราก็ไม่ต้องไปหาหรายละเอียดอะไรเยอะรู้รู้แต่ว่าไม่ติดในตัวรู้นะรู้แบบไม่ต้องไปรู้อะไรมากมายรู้แบบผ่านๆนะตรงนี้ก็เรียกว่าเราเราไม่ได้ไปติดในตรงไหนที่ว่าไปให้ความสำคัญนะไปให้ค่ากับตรงนั้นเนาะมันก็เลยกลายเป็นรู้เฉยๆเนาะนะนะ ครั้งนี้เราก็ดูกายไปนะมันแต่กายเนี่ยถ้าเราดูเป็นมันก็เห็นว่าเป็นปัจจุบันนั่นแหละเพราะมันไม่ได้ไปคิดอะไรเยอะ <c oughs> มันก็เป็นแค่รู้เท่านั้นเองแต่เราขณะเดียวกันเราก็ไม่ห้ามความคิดด้วยเขาคิดเราก็รู้ทันเท่านั้นเองใช่ไมเพราะว่าเราอยู่กับปัจจุบันแล้ว <c oughs> อ, ยอย่างเช่นอดีตนะเราก็ต้องไปคิดถึงนะไปลื้อความจำขึ้นมาอนาคตเราก็ไปต้องไปคิดเหมือนกันนะมันไมไ่เป็นของจริงหรอก มันมีอยู่ในแค่ความคิดเราเท่านั้นเองเพราะฉนั้นเราก็เลยแยกแยกมาได้ว่าตัวนี้มันรู้นะตัวนี้มันคิดนะเราแยกได้แล้วใช่ไหมพอเมื่อเราอยู่กับรู้เราก็เห็นความคิดนะมันก็เหมือนกับที่ครูบาอาจารย์บอกนั่นแหละว่ารู้กายเห็นจิตใช่ไห <c oughs> มเมื่อเราเห็นจิตนะรูคิดมันก็เลยเห็นธรรมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นความคิดนะเราก็เลยเห็นธรรมะ <c oughs> การที่เราเห็นจิต มันก็เลยไปเห็นความคิดได้ใช่ความคิดมันก็มีมากมายนำความสุขความทุกข์มาให้เราความความคิดน่ะมันนำความสุขความทุกข์มาให้เราใช่แล้วก็อาจจะเฉยเฉยก็ได้นะน่ะมันเป็นสามอย่างสุขทุกข์หรือเฉยเฉยนะขณะนั้นนะเรารู้ทันไหมว่ามีความสุขเกิดขึ้นแล้วมีความทุกข์เกิดขึ้นแล้ว ถ้าเราแค่รู้เฉยๆแล้วไม่แทรกแซงเขานะเขาจะแสดงบางอย่างที่เป็นความจริงให้เราเห็นว่าเขา <c oughs> เขาเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะนี่คือความจริงเราไม่ได้ไปแทรกแซงเขานะถ้าเราไปแทรกแซงเขาเรามีความทุกขนะ์เราก็ไปจัดการให้เขาดับไปเนี่ยไปแทรกแซง <c oughs> เราก็ <c oughs> เราก็ไม่เห็นความจริงที่สําคัญมากนะนะ ว่าเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปโดยตัวเขาเองแต่ว่ากลายเป็นเราไปจัดการเขามันก็จะกลายเป็นว่า <c oughs> เราสามารถจัดการเขาได้ใช่ไห <c oughs> แล้วก็กลายว่าเราบังคับเขาได้อต่างหากมันก็กลายเป็นตัวเป็นตนของเราเนาะแต่ถ้าเรา <c oughs> เรา <c oughs> เราเห็นความจริงโดยที่เราไม่ไปจัดการแทรกแซงเขาเราแค่รู้เฉยๆนี่แหละ รู้เฉยๆนี่เป็นสิ่งที่ดีมากนะ <c oughs> ครูบาอาจารย์ก็จะบอกอยู่เรื่อยๆรู้เฉยๆรู้ซื่อๆนี่แหละตรงนี้ก็คือเราไม่ไปจัดการอะไรกับเขา <c oughs> ไม่ไปเติมผงชูรสนะไม่ไปเติมน้ำปลาไม่ไปเติมน้ําตาลเ <c oughs> นี่ยเราเห็นความจริงรสชาติมันเป็นอย่างไรนะก็คืออ่ะมันก็แสดงถึงการที่เขามาแล้วก็ไปใช่ไหมนี่คือความจริงว่าราบังคับก็ไม่ได้นะทุกอย่างมาแล้วก็ไปหมดนะ ความโกรธเนี่ยไม่ได้อยู่กับเรานานหรอก <c oughs> เข้ามาแล้วก็ไป <c oughs> ความรักก็ไม่ได้อยู่กับเรานาน <c oughs> เข้ามาแล้วก็ไปจะมา <c oughs> ถ้าเป็นเข <c oughs> าเป็นของเรา <c oughs> <c oughs> เขากำลังอยู่กับเราตลอดกาลนานเนาะแต่นี่เข้ามาแล้วก็ไป <c oughs> เพราะนั้นเราก็เห็นความจริงนี่แหละพอเราเห็นบ่อยๆเราก็รู้ว่าเออมันเป็นเช่นนั้นเองนะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย <c oughs> เป็นไปตามที่เขาเป็นของเขาเช่นนั้นเองเราไปจัดการเขาไม่ได้ เราก็ไม่ได้พี่เพียงแค่เป็นผู้ดู <c oughs> เป็นผู้รู้เท่านั้นเองนะเพราะนั้นมันก็เหมือนกับที่หลวงพ่อคำเขียนนั้นบอกว่า <c oughs> ให้เป็นผู้ดูไม่เป็นผู้เป็นนะการเป็นผู้ดูเนี่ยมันมันมีมันมันมั น, ม น, มนคล้ายๆว่าเราไม่ได้เข้าไปอินนะเห <c oughs> มือนกับเร า, <c oughs> เ, รานะเราดูฟุตบอลนะเราดูฟุตบอลผู้ชายจะชอบดูฟุตบอลมากนะบางทีมันก็เราโอ้เราเข้าไปเล่นเองเลยนะ อเวลามันจะยิงประตูเรารู้สึกว่ามันมันไซด์เต็มที่นะอยากจะยิงตรงนี้ให้เข้าไปเลยมันรู้สึกมันอินมากนะพอเราชนะเราจะดีใจมากเนาะแต่เวลามันแพ้ปุ๊บเราก็เสียใจนะบางทีเราก็ได้ข่าวบ่อยๆนะอนับกีฬาบอลไม่ได้ตีกันหรอกแต่ว่า <c oughs> แฟนบอลเนี่ยเวลาแพ้ไม่ยอมแพ้นาะยกพวกตีอีกไฟน์นึงก็มีนะหรือไปตีกรรมการก็มีนะอันนี้ยเขาเรียกว่า in. อินอินไปอย่างยิง่ง หรือเราอาจจะเคยดูละครนะบางทีผู้ร้ายหรือนางร้ายเนี่ยเล่นเล่นเก่งเกินไปเล่นเก่งไปมาเดินตลาดเนี่ยโดนแม่ค้าด่าก็มีฮนะแม่ค้าบางทีก็ไม่ขายของให้บอกทําไมลายขนาดนี้นะอันนี้อินอินมากเลยใช่ไหมเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นผู้เป็นทั้งหมดเลยนะแต่ถ้าเราเราดูเป็นก็ได้นะเราเราสามารถดูโททัศน์ได้นะเพราะเราอยู่ในทางโลกนี่แหละเรา เราเหลีกเรียกไม่ได้หรอก <c oughs> เรามันก็ไปบัติธรรได้เลยเข้า <c oughs> มาการดูโทรทัศน์เราก็กลับมาดูใจเราเออตอนนี้นางเอกเอานางเอกน่าสงสาร <c oughs> นางนางเอกนี่โดนแกล้งเข้ามานางเอกโดนโดนทําร้ายต่างๆเราเราดูว่าเออขณะ น, นีนะ้เรากาลังเศร้าไหมอา่ากาลังโกรธไหมอา่าเนี่ยเรากลับมาดูใจเราได้เลยนะอา่าเพราะนั้นการดูโทรทัศน์ถ้าเราดูเป็น <c oughs> มันก็เป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึง่ง <c oughs> เราจะดูว่าเราตรงนี้เราอินอไปไหมนะเราเป็นผู้เป็นหรือเป็นผู้ดูใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราดูโททั์เป็นเราก็ดูใจเราเป็นเหมือนกันเนาะเพราะใจเรานี่แหละมันก็เหมือนกับเราดูโททัตนั่นแหละ <c oughs> ใจมันแสดงละครทั้งวันอยู่แล้วใช่ไหมใจเนี่ยมันไม่ได้อยู่นิ่งๆหรอกเดี๋ยวมันก็เคลื่อนไหวนะเดี๋ยวก็ขึ้นก็ลงนะทั้งวันเดี๋ยวก็รักก็ชงังก็โกรธก็เกลียด เราเราดูใจเมื่อเราดูโทรทัศน์นั่นแหละเราไม่ได้เป็นแสดงนะเราไม่ได้เป็นสแสดงเป็นผู้ลายเป็นพระเอกเป็นนางเอกแต่เราก็ดูใจเองของเขานั่นแหละใช่ไหมใจเขาก็บาง <c oughs> บางทีก็เป็นผู้ลายนะบางทีเขาก็โกรธเขาก็เกลียดนะบางทีเขาเป็นพระเอกนะบางทีเขาก็มีเมตตาเป็นคนรู้สึกว่าโอ้สงงางามนะใจมันสง่างามบางครั้งเขาก็อ่อนโยนมันก็นางเอกใช่ไหมน่ารักเป็นนางเอก เ, เขาแสดงลนะครนี่เราดูทั้งวัน ใช่ไหมเราก็ดูใจเองเราไป เ, เขาเรียกว่ า, าเป็นผู้ดูไม่เป็นผู้เป็นนะเหมือนกับสมัยหนึ่งก็มีนักปฏิบัติคนนึงมาถามหลวงพ่อคำเขียนว่าวันนี้หนูเครียดจังเลยหรือว่าคำเขียนต้องให้ถามใหม่นะนักปฏิบัติไม่ได้ถามแบบนี้อันนี้นักปฏิบัติก็นึกถามยังไงดีเนาะวันก็เลยถามว่าวันนี้หนูเห็นความเครียดนะหลวงพ่อคำเขียนบอกว่าใช้ได้แล้วเนาะ นีมันมันแค่ <c oughs> พลิกนิดเดียวนะจากการเป็นผู้เป็นคือเป็นผู้มีความเครียดนะเป็นผู้เครียดเนี่ยกลายเป็นเห็นความเครียดมันมันพลิกตรงนี้นิดเดียวคือพลิกมุมมองนิดเดียวเราจะกลับมากลับมาออกจากความเครียดได้เลย <c oughs> มันออกมาจริงๆนะลองดูนะเราเราโกรธก็ได้น ะ, ะเราโกรธนะเราเปลี่ยนมาเป็นเห็นความโกรธแล้วเห็นใจไปโกรธแล้วนะเนี่ยแค่เราเลืกแค่ะนะั้น เห็นใจไปโกรธแล้วนะนีมันออกมาเป็นเป็นผู้ดูเลยใช่ไหมมันสามารถออกได้จากการที่เราพลิกมุมมองนิดเดียวนะเป็นผู้ดูไม่เป็นผู้เป็นนะตรงนี้มันสำคัญมากถ้าเราถ้าเราเข้าใจในตรงนี้แล้วเราก็จะเป็นผู้ดูไปการเป็นผู้ดูนี่มันมันดูได้หลายอย่างนะแม้แต่เราปฏิบัติธรรมเราเดินจงกรมนี่แหละเราก็เป็นเป็นผู้ดูได้นะ คือเราเดินเดไปเรื่อยๆน่ะเราจะเห็นว่าเออเราก็ดูมันเดินนะไม่ใช่เราเดินหรอกเราก็ดูมันเดินนั่นแหละดูอะไรดูดูกายเขาเดินนะดูกายเขาเดินไอ้กายมันก็ไม่ใช่เราอยู่แล้วนะเราก็ดูกายเขาเดินไปก็ดูดูไปคราวนี้พอเราดูไปเรื่อยๆมันสักอีกพักนึ่งก็มีความคิดขึ้นมาอีกเราก็เป็นผู้ดูความคิดน่ะมันไม่ใช่เราคิดแล้วนะเราก็ดูความคิดไปเนี่ยเรากลายเป็นผู้ดูแล้วนะ ดูกายก็เดินดูใจมันคิดนะตรงนี้มันเราดูไปอย่างเงี้ยมันก็กาย่อเราจะเห็นกายและใจมันทำงานเองนะมันก็เป็นสิ่งที่เราเราไปรู้ไปดูเขานะมันก็เลยเห็นเห็นความจริงนะในกายและใจนะเขาคิดเขาเองนะเราไม่ได้คิดนะกายเขาก็เดินเขาเองนะเขาเดินนะแต่คนนี้ถ้าเราไปตั้งใจเราก็รู้สึกว่าเออเราก็บังคับควบคุมเขาได้ แต่พอเราไม่ตั้งใจปุ๊บมันก็เดินเขาเองนั่นแหละเขาเดินอัตโนมัติอยู่แล้วนะเพียงแต่เราก็ตามรู้ที่เขาเดินเท่านั้นเองเราก็กลายเป็นผู้ดูไปนะเนีเราก็แยกกาย แ, แยกใจตรงนี้ได้ใช่ไหมเห็นเห็นกายและใจทํางานเองไม่ใช่เรานะยิ่งความคิดเนี่ยวมันเห็นอยู่บ่อยๆใช่ไหมนะเดี๋ยวว่าคิดแล้ว5นาทีคิดต้องไม่รู้กิจเรื่องนะเพราะฉะนั้นอ่านะหลวงพ่อเดีนบอกว่ายิ่งคิดก็ยิ่งรู้นะอ่านะตรงเนี้ย เราเห็นความคิดใหม่ๆนี่เป็นเราคิดนะแต่มันทําไมคิดไม่หยุดล่ะแสดงมันคิดเองนะมันไม่ใช่เราคิดแล้วนะมันคิดกับมันเองนะเราก็ดูเข้าไปคิดก็คิดไปแต่เราก็เป็นผู้ดูผู้รู้แต่เราก็สะกิจใจอย่างหนึ่งแล้วว่ามันไม่ใช่เราแล้วนะเพราะมันคิดกับมันเองใช่ไหมเพราะการที่เราเราสามารถเป็นผู้ดูได้เนี่ยมันพลิกจากกลายเป็นคือเป็นผู้เป็นมีความทุกข์กลายเป็นผู้เห็นความทุกข์ นะตรงนี้มันจะมีมีประโยชน์มากนะแล้วมันออกจากความทุกข์ได้อย่างรวดเร็วด้วยใช่อ่าคราวนี้ถ้าเรามีความคิดเยอะๆเป็นไงเราก็กลับมารู้สึกตัวบ่อยๆนะอ่านะกลับมารู้สึกตัวแล้วก็ไม่ไปให้ค่ากับความคิดเหล่านั้นนะไม่ใช่ว่าเขาคิดเราต้องไปช่วยเขาคิดนะหรือไปเบรกความคิดอันนะี้ก็ไปไปเขาเรียกว่าไปจัดการเขาไม่ไม่ได้รู้เฉยๆกับความคิดเราก็รู้ไปนะอ่านะนะนะ เราก็เห็นเขาเกิดเขาดับนี่ล่ะนี่คือปัญญานะเป็นการเดินปัญญานะถ้าเขาเขาไม่เดินปัญญาก็ตองช่วยเขาเดินนะเห็นตรงนี้แหละว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปนไปช่วยเขานิดนึ่ง <c oughs> ให้เขาเห็นความจริงนะคราวนี้ถ้ามันคิดฟุ้งซ่านไม่หยุดนะเราก็นะกลับมารู้สึกตัวนะมันก็จะค่อยๆเบาลงอันนี้เหมือ น, นเราก็จัดการเขานิดหน่อยนะจจัดการนิดหน่อยไม่ได้จัดการเยอะกลับมารู้สึกตัวเท่านั้นเองนะ แล้วเขาก็จะเบาลงนะตอนเราก็เห็นว่าเขาก็เบาลงไปได้แต่ไม่ใช่เราจัดการเขานะเดี๋ยวกายมันตัวตนขึ้นมาว่าเราจัดการเขาได้แต่ว่าเป็นการเรียกว่าเรากลับมารู้สึกตัวแล้วก็ก็จะเบาลงนี่เราก็เห็นว่าเออความรู้สึกตัวนี่ยมันก็ช่วยให้จิตของเราเนี่ยออกจากความคิดออกจากความฟุ้งซ่านได้นะแต่ไม่ใช่เราไปจัดการเขานะี่ยตรงนี้ต้องเข้าใจไม่ใช่ดิ้นหน่อยพอเราปุ๊บจัดการเขาได้เลยทุกๆอย่างนะจัดการให้เป็นตามที่เราต้องการนะเนี่ยมันกลายเป็นตัวเป็นตนขึ้นมา เพราะว่าธรรมะที่แท้จริงบอกว่าให้รู้ตามที่เขาเป็นไม่ใช่เป็นไปตามที่เราต้องการนะเพราะการที่เราเป็นไปตามที่ต้องการนั Or, like flying, like ่นแหละคือสมถะคือการไปบังค right? <c oughs> <c oughs> ับไปกดข่มไปจัดการให้เราเป็นไปตามที่เราต้องการแล้วเราจะไม่เห็นความจริงในพระไตรลักษณ์ในความเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นักตาตรงนี้เราจะมองไม่เห็นนะเพราะฉะนั้นการที่เราเห็นตามความเหมนจริงนั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นวิปัสสนา ส่วนการที่ไปจัดการ <c oughs> ต่างๆเหล่านี้การแทรกแซงต่างๆอันนั้นเป็นสมถะเนาะเพราะฉะนั้น <c oughs> มันก็จะมาตรงนี้ว่าหลวงพ่อกำเขียนบอกว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรนะน ะ, พ, ะ <c oughs> พอเรา <c oughs> พอเราเข้าใจแล้วนะเราก็รู้เราก็รู้ว่ามันก็เมื่อเราบังคับเข้าไม่ได้ใช่ไหมมันก็คือมันไม่เป็นอะไรกับอะไร <c oughs> เราก็ไม่ได้เป็นผู้ที่บังคับอะไรเขา นะ ม, มันออกจากความเป็นตัวตนในตรงนี้ได้ใช่ไหมที่มันเป็นก็คือมีตัวเราเนี่ยเป็นนะเป็นผู้ทุกข์ผู้สุข <c oughs> ผู้รักผู้ชังผู้เกียรดนะผู้อิจฉาผู้หึงหวงผู้น้อยใจผู้เสียใจ <c oughs> เป็นพระนะเป็นโยมนะมันเป็นเป็นอะไรกับอะไรนะแต่พอเราเห็นเข้าไปบ่อยมันก็ไม่ได้เป็นอะไรกับอะไรมันก็คือมันมาแล้วก็ผ่านไปมันไม่ไม่ตัวไม่เท่ตนนะอันนี้ถ้าเราเข้าใจตรงนี้มันก็ จะเข้ามาที่หลวกพ่อเขียนไ ด, ได้เขียนเอาไว้ตอนที่ท่านป่วยหนักตอนนั้นท่านพูดไ ม, ไ, มไม่สะดวกแล้วล่ะท่านเขียนมาว่าผู้ใดที่เห็นธรรมะผู้ใดที่เข้าใจธรรมชาติผู้ใดที่เข้าใจธรรมชาติผู้นั้นแหล ะ, ะคือผู้ที่เห็นธรรมะเพราะว่าธรรมะก็คือธรรมชาตินั่นเองผู้ใดที่เข้าใจธรรมชาติอย่างแท้จริงผู้นั้นสามารถพ้นจากความทุกข์ได้เนาะ ธรรมชาตินั้นคือความจริงอย่างหนึ่งว่าสภาวะทุกอย่างนะในโลกนี้มันหนีไม่พ้นจากสัจธรรมอ่ะสัจธรรมคืออะไรก็คือความไม่เที่ยงนะเนี่ยคือความจริงของธรรมชาติเลยนะเพราะฉะนั้นผู้ใดที่เข้าใจในความไม่เที่ยงผู้นั้นจะความทุกข์ลดลงนะผู้ใดที่ยอมรับความไม่เที่ยงผู้นั้นจะความทุกข์ลดลงส่วนผู้ใดที่ไม่เข้าใจในความไม่เที่ยงไม่ยอมรับความไม่เที่ยงผู้นั้นก็จะมีความทุก แล้วความทุกข์ก็จะเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าสิ่งที่เป็นความจริงในโลกนี้ก็คือความไม่เที่ยงนั่นเองนะสิ่งที่เป็นความไม่เที่ยงนี้มันจะปรากฏ ก, กับเราอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราเข้าใจเขาไหมเรายอมรับเขาไหมนะแม้แต่ในร่างกายเราแมก็ไม่เที่ยงใช่ไหมเราเกิดมาก็ต้องมีความแก่ความเจ็บความตายอันนี้ก็เรียกว่าเป็นความทุกข์ประจําสังขารเราหลีกก็ไม่พ้นหรอกนะแล้วก็สิ่งที่มันแสดงบางอย่างที่ เรา <c oughs> ไม่อาจที่จะควบคุมก็ได้มันไม่ตัวเราจริงๆ <c oughs> นะก็คือผมมันงอกนี่แหละใช่อหหูหูตึงนะตาฟางผิวหนังหย่อนนะต่างๆแล้วเนี่ยมันเป็นสภาวะที่เราเห็นไหมว่าเราบังคับเขาไม่ได้เขาเป็นของเขาเป็นแบบนั้นเองนะยิ่ง <c oughs> ยิ่งเราอ า, อายุมากขึ้นเราจะเห็นว่าเนี่ยธรรมชาติเขาก็เรียกคืนของเขาแล้วนะมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเมื่อก่อนนะันเราก็ สภาวะจริงๆเนี่ยมั น, ม, นมันตอนที่เราก่อนมาเกิดมันก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วธรรมชาติมันเรียกเราไปสู่ความไม่มีอะไรนะก็คือกลับไปสู่ดินน้ำลมไฟที่เราหยิมเข้ามานะร่างกายก็มีแต่ความเจ็บป่วยนะมีแต่ความทุกข์ทรมานมีโรคภัยไข้เจ็บมากมายจะเดินก็เดินลำบากหลังก็งอใช่มจะกินก็กินลำบากนอนก็นอนไม่ค่อยหลับการขับถ่ายก็ไม่เหมือนเดิมนะมีความเหนื่อยทุกวัน มันมีความทุกข์ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนในร่างกายนี้นะมันเป็นสิ่งที่เราบังคับเขาไม่ได้เลยนะถ้าบังคับได้ก็บังคับว่าอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายได้ไหมอย่าได้ผมงอกอย่าได้หูตึงอย่าได้ตาฝางไม่ได้นะมันบังคับไม่ได้แต่มันหลอกเราหลอกเราว่าเราบังคับเขาได้จะให้เขาทาอะไรก็ทําได้นั่นแหละมันหลอกเราเราเลยยึดว่าเป็นตัวเป็นตนของเรา เนี่ยมันตรงนี้นะธรรมชาติมันมาบังตาเรานะแล้วก็ความทุกข์ความทุกข์ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นความจริงที่เราไม่อาจจะเล็กเลี่ยงได้นะะขนาดที่เรียกว่าที่ในสมัยพุทธกาลบอกไว้ว่ามีแต่ความทุกข์เกิดขึ้นทุกท่านั้นเกิดขึ้นทุกท่านตั้งอยู่และทุกท่านที่ดับไปนะตรงนี้ก็คือความจริงนะการที่เราเห็นความทุกข์นี้นะเราจัดว่าเป็นปัญญาอย่างหนึ่งทีเดียว เนะพราะคนที่จะพ้นทุกข์ได้ก็ต้องเห็นความทุกข์ได้สะก่อนใช่ไหมนะความทุกข์มีอยู่จริงไหมนะใน อ, อริยสัจสี่บอกว่าทุกนะอริยสัจก็คือทุกขษัตรจนะคือทุกนี่คือความจริงนะทุกเป็นสิ่งที่เราจะต้องเห็นนะต้องจัดการอย่างไรกับทุกก็คือเราต้องเห็นเขาเห็นเขาให้ได้นะถ้าเราไม่เห็นเขาเนี่ยเราจะไม่หาทางออกจากความทุกข์ เมือนกับนักปฏิบัติทั้งหลายนยีส่วนมากก็จะเห็นทุกข์แต่ว่าคนที่เขาไม่เห็นทุกข์เขาก็ไม่อยากจะมาปฏิบัติธรรมกันเพราะว่าเขายังติดในความสุขอยู่นะความทุกข์นี้นะมันปรากฏอยู่ตลอดเวลาเราขณะ น, นี้นะอ่าบางท่านนี่นั่งมาเกือบชั่วโมงแล้วมันจะรู้สึกมีความปวดความเมื่อยนั่นแหละคือความทุกข์บางท่านจะรู้สึกหิวก็เป็นความทุกข์บางท่านง่วงก็มีความทุกข์นะ <c oughs> บางท่านรู้สึกหนาวก็มีความทุกข์ นะความทุกข์คือสิ่งที่ปรากฏในปัจจุบันอยู่แล้วแม้แต่ในขณะที่เรานอนที่เป็นความสุขมันก็มีความทุกข์อยู่ใช่ไหมจะให้นอนทั้งวันทั้งคืนมันก็ไม่ได้ใช่ไหมมันทนในภาวะเดิมไม่ได้หรอกมันบีบคั้นเราตลอดเวลาใช่ไหมเราปฏิบัติธรรมมันก็ต้องเห็นทุกข์น ะ, ะจะเปลี่ยนจากการนั่งนี่แหละมาเป็นการเดินนะมันก็ต้องรู้ว่านี่มันเป็นการแก้ทุกข์ไม่ใช่เปลี่ยนโดยอัตโนมัติหรือเปลี่ยนโดยตามใจเราเราจะไม่เห็นความทุกขนะ์ความทุกข์นี่เป็นสิ่งที่ดีมาก บางบางบางครั้งเขาก็ใช้วิธีการนั่งนานๆก็มีนะนั่งเป็นชั่วโมงไม่ขยับตัวก็มีอันนี้ไม่ใช่เพื่อทรมานตัวเองแต่ว่าเพื่อให้เห็นทุกข์ใช่หให้เห็นทุกข์มันชัดเจนไปเลยนะแต่เราก็ไม่ได้ไปทาเช่นนั้นหรอกเรารู้ว่านั่นแหละมันเป็นเป็นความทุกข์อยู่แล้วเราเพียงแต่ว่าเนี่ยมันแก้ทุกข์ทั้งวันใช่ไมเราแก้ได้ไหมมันแก้มันแค่บรรเทาทุกข์แต่มันมันที่จะให้หมดทุกข์นี่ไม่ได้ใช่ไหม เราง่วงเราไปนอนไว้ก็ต้องนอนใหม่หิวไปทานอาหารไว้ก็ต้องทานใหม่ใช่ไหมปวดเมื่อยลุกก็มาเดินเดี๋ยวก็ต้องกลับมานั่งใหม่ใช่ไหมมันเป็นสภาวะที่มันแค่แก้ทุกข์ชั่วคราวเท่านั้นเองเนาะตรงนี้ต้องเห็นความจริงในตรงนี้นะอย่างที่เมื่อกี้บอกความไม่เที่ยงนะเราก็เห็นความจริงในตรงนี้ไหมบางครั้งบางวันเราก็ไปบัตรแล้วรู้สึกมันรู้สึกตัวดีแทบทั้งวันเพราะว่าลุ่งขึ้นมาก็รู้สึกตัวไม่เหมือนเดิมแล้วนันี่คือความไม่เที่ยงเพราะนั้นความไม่เที่ยงและความทุกข์นี่คือความจริง ที่เราประสบะตลอดเวลาอยู่แล้วอยู่ที่เราเห็นไหม <c oughs> หรือว่าเราไปทุกกับเขาว่าเออเมื่อวานเราปฏิบัติดีวันนี้เราปฏิบัติไม่ดีเพราะฉะนั้นจิตเราจริงไม่ดีเราเป็นคนแย่ yeah, อันนี้เราไม่เห็นความจริงไม่เห็นปตายรักแต่ถ้าเห็นว่าเออมันเป็นบางสิ่งระบาบังคับเ ข, เขาไม่ได้ใช่ไหมการที่เขาดีหรือไม่ดีมันมันเป็นความจริงแล้วเรายอมรับเขาไหมเรายอมรับเขานี่แหละเราก็ไม่ทุกข์แต่ถ้าเราไม่ยอมรับเราก็มีความทุกข์ เพราะเราจะไปบงังคับมันก็ดีทุกๆครั้งทุกๆวันแล้วมันทําได้ไหมล่ะเราก็มีความทุกข์ตลอดไปนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นความไม่เที่ยงความทุกข์เนี่ยมันมันจริงสัมพันธ์กันถ้าเรายอมรับในความไม่เที่ยงความทุกข์เราก็จะลดลงแต่ถ้าเราไม่ยอมรับความไม่เที่ยงความทุกข์เราก็จะเพิ่มมากขึ้นนะเพราะความทุกข์คือความจริงที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยไม่ใช่คนเดียวน ะ, <c oughs> ะหลังนั้นเราก็มาดูนะอนัตตาอีกครั้งหนึ่งนะ จริงๆแล้วมันไม่ต้องดูทุกๆอย่างนะ อ, อันนีจังทุกนักตาเราแค่รู้อย่างใดอย่างหนึ่งมันก็ประจักษ์แจ้งความจริงแล้วว่าเราบังคับก็ไม่ได้ทั้งหมดอแต่ว่าในสภาวธรรมแต่ละอย่างมันจะเกิดขึ้นในขณะนั้นไม่เหมือนกันบางครั้งก็เกิดความไม่เที่ยงบางครั้งก็เกิดความทุกข์บางครั้งก็เกิดอนัตตาเพราะฉะนั้นในการที่มันเกิดขึ้นแต่ละขณะนั้นเราก็ต้องมีสติปัญญาที่จะรู้เท่าทันเขาแล้วก็สามารถที่จ ะ, ะเห็นความจริงตรงนี้ได้ขณะนั้นนะต้องรู้ในขณะนั้นด้วยมันก็จะวไว เช่นความคิดนี่แหละนะมันมันคิดอยู่เรื่อยๆน ะ, ะคิดอยู่เรื่อยๆอย่างที่คิดวันนึงต้องเยอะแยะเป็นหมื่นๆครั้งใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเราตั้งใจคิดเนี่ยมันมันน้อยมากไอ้ส่วนที่เราไม่ตั้งใจคิดมันเยอะนะเพรา ะ, ะนั่นการที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะเห็นความคิดไปรบ่อยๆนะวิธีการหลวงพ่มเทียนเนี่ยทำแล้วเราเห็นความคิดได้บ่อยๆครั้ง น, นี้เน่ยเมื่อคิดไปปุ๊บเราก็รู้ทันอันนี้มันทำให้จิตเราตื่นขึ้นมาครั้งหนึ่งเป็นการขย่าธานรู้นะ แต่ในขณะเดียวกันมันเป็นการขยียถ้ารู้แต่เราเห็นไหมว่าไอ้ความคิดนะเราบังคับเข้าไม่ได้ใช่ไหมเขาก็คิดของเขาอยู่เรื่อยๆนั่นแหละเ <c oughs> <c oughs> พราะนั้นตรงนี้เรานอกจากมีสติขึ้นมาแล้วเราก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาด้วยเพราะเราเห็นความจริงในภไตยรักว่าเราบังคับเขาไม่ได้เขาก็คิดของเขาอยู่เรื่อยๆนะประเดี๋ยวเราก็รู้แล้วว่าความโกรธไม่ดีนะอมันก็มีความโกรธขึ้นมาเนี่ยเพราะเราบังคับเข้าไม่ได้นะอความรักนะมันก็เป็นสิ่งที่เรียกว่ามันไม่เที่ยงแท้ทาวร นะเขาเกิดแล้วก็เดี๋ยวอยากให้อยู่กับเรานาน ๆ, ๆเขาก็เดี๋ยวเขาก็ จ, จากไปนะเพราะฉนนั้จิตรเราก็จะแบบนี้เองความรักความชางังความโกรธความเกลียดเข้ามาแล้วก็ไปอยู่ที่ว่าเราเราสามารถเห็นได้ไหมว่ามันเป็นสิ่งเราบังคับไม่ได้เข้ามาแล้วก็ไปโดยสภาวะของเขาเองมานะเราจะให้อยู่กับเรานานๆเนี้ยไม่ได้เลยหรือเราจะผลักใส่ก็ไม่ได้อีกนะตรงนี้ก็เห็นความจริงในตรงนี้นะคือเมื่อเราไม่ไปจัดการเขาแล้วเราจะเห็นสภาวะที่เขาเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปตามความเป็นจริง จิตก็จะเกิดการเข้าใจไปเรื่อยๆนะจิตเมื่อจิดเข้าใจแล้วในระดับหนึ่งนะเมื่อจิตเข้าใจพระไตรลักษ์ระดับหนึ่งแล้วก็จะเกิดการปล่อยการวางการไม่ยึดติดเ <c oughs> นี่ยตรงนี้เป็นหนทา ง, แ ห, ง <c oughs> แห่งความแห่งความ้นทุกข์แล้วก็เป็นหนทางแห่งพิังงานนะเพราะนั้นกิตมันจะไม่เหมือนกับสมัยก่อนที่เราเริ่มปฏิบัติใหม่ๆสมัยที่เราเริ่มปฏิบัติใหม่ๆเราจะมีแต่ความอยากได้นะนะคือความอยากได้นี่ไม่ใช่เป็นความผิดของเรานะ อย่างเราอยู่ในทางโลกเราก็อยาก <c oughs> อยากได้เงินได้ทองอยากได้ชื่อเสียงกิติยศนพอมาเป็นนักปฏิบัติเราก็อยากจะได้อีกอยากได้สติสมาธิปัญญาความรู้สึกตัวอ น, นีอ้เป็นเรื่องธรรมดาน ะ, ะแต่ว่านั่นแหะอยู่ในจัดว่าเป็นตันหา อ, อย่างหนึ่งนะเป็นตันหาที่ว่าความอยากได้หรือจะเรียกว่าเป็นภพาะว่ตันหาก็ได้คำว่นะาตันหานั้นน ะ, อ, ะอันนี้คือสมุทยัยนะสมุทัยก็มีอยู่3อย่างนั่นะคื อ, อ การมตัญหาคือความอพอใจในรูปรดกลิ่นเสียงผดธาพุธรรมลมคือตาหูจมลิ้นกายใจเนี่ยต้องชอบแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสที่ชอบใจต่างๆมาเพื่อที่จะเสพมันอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการมาตัญหาต่อมาก็คือภาวะตัญหาคือความอยากได้อยากมีอยากเป็ น, ปนทั้งหลายนี่แหละ <c oughs> ตรงนี้ก็ต้องเข้าใจนะแม้แต่เราอยากจะได้ในผลของการปฏิบัตินี่ก็คือตัญหาเหมือนกันวิภาวะตัญหาก็คือการผักใส าการไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นเนี่ยตรงนี้ก็ต้องเข้าใจนะอารมณ์ต่างๆที่มันไม่ดีแล้วก็ผักไสเขาสิ่งเราไม่ชอบใจก็ผักไสเขาไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นเป็นการผักไสทั้งหมดแต่ให้เรารู้ว่าทั้งหมดตันหาทั้งหมดคือเป็นสิ่งที่ต้องละนะเพราะว่าสมุทัยหน้าที่ของสมุทัยคือต้องละเขาไม่ใช่ไปเจริญเขานะเพราะนั้นเมื่อเราไปบัติใหม่ๆล้วก็มีตันหาในความอยากได้ อยากได้นู่นอยากได้นี่อยากได้สติสมาธิปัญญานี่ไม่เป็นเรื่องผิดแต่ว่าให้เข้าใจว่านั่นคือตัณหาแต่เมื่อเราไปบัตดไปสักระยะหนึ่งแล้วเราจะเห็นว่าเราเริ่มที่จะบังคับก็ไม่ได้แล้วกขเป็นเช่นนั้นเขาเองจิตจะเริ่มคลายออกจากการที่ว่าเราจะไปเอาอะไรกับเขาเพราะว่ามันมันบังคับไม่ได้แล้วนะจิตจะเริ่มปล่อยเริ่มวางเริ่มไม่ยึดติดเริ่มไม่อะไรกับไรนะเริ่มไม่อะไรกับไรก็คือเริ่มไม่เป็นอะไรอะไรกับมันนะก็คือยอมรับทุกอย่างที่มันเกิดขึ้น มันจะยังไงก็ได้นะมันจะดีก็ยอมรับมันจะไม่ดีก็ยอมรับวันนี้ปฏิบัติไม่ดีก็ยอมรับวันนี้มีความทุกข์ก็ยอมรับวันนี้คิดเยอะๆฟุ้งซ่านก็ยอมรับการที่เรายอมรับนั่นแหละคือยอมรับไหลยอมรับพัตรัยรักนะการที่เรายอมรับพัตรัยรักนั่นแหละคือการออกจากความทุกข์ที่แท้จริงเพราะทุกอย่างในโลกนี้มันมันไม่มีอะไรที่หนีพ้นพัตัยรักพัตรัยลักมันเหมือนกับเป็นกระแสกระแสน้ําอย่างหนึ่งที่ไหลจาก ภาคเหนือไปภาคใต้นะการที่เราสามารถเข้าใจพระไตรลักษณ์ยอมรับพระไตรลักษณ์ก็คือเราไหลไปตามกระแสน้ําเราก็ไม่มีความทุกข์แต่ตราบใดที่เราไม่ยอมรับพระไตรลักษณ์เราก็จะมีความทุกข์เหมือนกับเรือที่ไปขวางพระไตรลักษณ์ยอมอย่ความอย่างแน่นอนนะเนี่ยก็คื อ, อ, อ, อความทุกข์มันเกิดจากการที่เราไม่เข้าใจและไม่ยอมรับพระไตรลักษณ์เนะพราะหนทางแห่งการบัตรนั้นทุกอย่าง <c oughs> หนทางแห่งการบัติธรรมนั้นก็คือการที่เห็นพระไตรลักษณ์นั่นเอง นะการที่เดินเข้าสู่กระไตรักณนั่นละคือการเดินของปัญญานะ <c oughs> จิตสามารถเดินได้ไหมเดินได้ถ้าเราไปบัตกถึงระดับหนึ่งแล้วจิตมันจะเห็นสภาวะตามความเป็นจริงว่านี่แหละเราบังคับบัญชาก็ไม่ได้เพราะนั้นทุกอย่างนะมันเป็นแค่รูปแค่นามเท่านั้นเอง <c oughs> มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเรานะถ้าเป็นตัวตนเราเมื่อไหร่เราต้องบังคับก็ได้แต่ว่าการทจริงๆมันก็เป็นแค่รูปแค่นามที่เรานะเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูในตรงนั้นเท่านั้น มันไม่ตัวไม่ตนของเราจริงๆนะเนี่ยมันเริ่มเข้าสู่กระแสของปไตยรักอ่าที่ว่าเราเห็นความจริงตรงนี้นะแล้วมันก็จะนําให้เราไปสู่ความพ้นทุกได้อย่างที่หลวงพ่อคเแียนบอกว่าไม่ไม่เป็นอะไรกับไหลก็คือท่านไม่ได้เป็นอะไรกับลายลายแล้วเนี่ยท่านพ้นจากความทุกข์ตรงนี้ไปแล้วนะเพราะในหนทางที่เราเริ่มต้นอ่าก็คือเปลี่ยนหลงเป็นรู้นะเป็นผู้ดูไม่เป็นผู้เป็นนะดูกายเห็นจิตดูคิดเห็นธรรมไม่เป็นอะไรกับไหลนี่แหละเป็นหนทาง แห่งครูบาอาจารย์ที่ท่านเดินผ่านมาแล้วและพวกเราก็เดินตามท่านและเราก็มีโอกาสพ้นทุกข์เช่นเดียวกับท่านนะ